แต่เชตฐาสั่งให้หยุดรออยู่เพียงแค่นั้นทั้งสองเดินย่องอยังแผวเบาตามรอยปรูงโลกที่เกิดการรมรันกันเมื่อครู่นี้ล้ำลึกเขามายืนอยู่ตรงแนวหน้ารากไม้มรณะที่ห้อยเป็นม่านกัน้นอยู่ห่างประมาณวาสิจจองสารวจเส้นของมันเหล่านั้นอย่างพินิจารณาแล้วเงยตามสายขึ้นไปยังลำกิ่งไม้ใหญ่เบื้องบน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 ยื่นไปแตะเผาของมันอีกครั้งให้ตาเดียวที่กระทบมันก็แหวงตวัดอย่างรวดเร็วอีกครั้งเช่นกันครั้งนี้พรานใหญ่ไม่หลีกลบแต่ส่งปลายดาบให้มันรัดอย่างทันหนักที่สุดเพราะมันเริ่มฉุดมวนขึ้นเขาก็ดึงรังดาบลงมาใช้ส่วนคมเฉือนกระเทาของมันอย่างช่ช้าเยื้อกเย็ดมีรอยบาดเหมีรอยแผลเวอเวอ้อจากความคมของดาบ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 มันจะทำความสะดวกแค่การงานค้นคว้าขึ้นอีกมากเช้าความจริงจะโทษน้อยก็ไม่ถูกนะครับพี่ใหญ่ที่ไม่ได้ถูกชะตากับพรานนำทางคนนี้เลยน้องสาวหันไปบอกเรียบๆกับพี่ชายหางเสียงไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะักเชษฐาตะชยันหัวเราะลั่นมาเรียนหน่าเลอหลาไม่รู้เรื่องหันมาถามเมื่อดารินอธิบายให้ทราบหลอนก็เบิกตาโตร้องออกมาว่า stupid ถามงง่จริงแหละ แต่ฉันว่ามิสเตอร์ฮันเตอร์ลอเธอเล่นมากกว่านะอย่างนี้นะไม่เรียกว่าลอ้อหรอกเขาเรียกว่ายั่วโทโสความจริงไอ้โรคนี้นะมันก็หายไปนานแล้วนะแต่ทําไมอยู่ไม่อยู่ ม, มันโผล่ขึ้มาอีกก็ไม่รู้สิท่ามกลางหน้าซิวหน้าขวานจะตายไม่ตายแหลยอย่างเงี้ยฉันนะ่ะไม่มีอารมณ์ขันด้วยหรอกปรเดี๋ยวมีดนี่เฉาะหน้าเขาไอ้ตัวนั้นแหละรอนชูมีดโบวี้ขึ้นคนถูกฆ่าโทษทําเป็นไม่เห็นสะวางหน้าเฉย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 สุเพียงไม่นานนะตามก็พ้นดงไม้มหัศจรรย์บรรลุถึงหน้าผาที่หมายตาไว้โดยสวัสดิภาพไตขึ้นไปบนเนินลาดประมาณ30องศาในระหว่างหมู่ไม้และก้อนหินที่ขึ้นเรียงรายอยู่เป็นหย่อมยอพอพ้นแนวบังของหินก้อนใหญ่สันฐานค ล, าคล้ายช้างหมอบระพินผู้นำเบื้องหน้าเป็นคนแรกก็โผกลับออกมาโบกมือให้กับทัรพวก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 เสียงเจ้าตองสู่หลุดปากออกมาสันกระซาวปล่อยกระบอกไม้ไผ่ร่วงลงพื้นรับพินกับเชิฐาหันขวับไปในทันทีนั้นนั่นนั่น่ายนายมาดูอะไรนี่เร็วเร็เร็วครับครนใหญ่โจนผึ้งเดียวข้ามขอบแอ่งเข้าไปถึงตัวส้างปลาเชิฐาก็เพนตามติดเข้ามาดารินกำลังนั่งเหยียดเท้าหลังพิงก้อนหินหลับตาอยู่ข้างๆชายยันสะดุ้งลืมตาขึ้น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 แต่เขาเขียนไว้ด้วยภาษาดา น, นิชไม่ใช่เหรอใช่เขาจะเป็นดัตช์หรือเดนหรือเชื้อสายอะไรก็ช่างเถอะนั่นไม่สำคัญหรอกเรารู้เดี๋ยวนี้ก็แล้วกันละว่าเจ้าของบันทึกนะชื่อเจนแครเมอร์สิ่งที่เราต้องการอยู่อย่างยิ่งก็คือเขาบันทึกไว้ว่ายังไงอ่านต่อไปเร็วเมมารีเเบป้ปากเต็มไปด้วยความอัดอั้นบันใจ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 เชิท้าเตือนให้มาเรียติดตามข้อความจากบันทึกต่อไปคราวนี้นักดิรุษติศาสตร์สาวเลือดผสมนิ่งอ่านในใจอยู่คนเดียวเป็นเวลานานทุกคนเห็นแววตาเขิวเข้มคู่นั้นเบิกโพลงและรีบพลิกอ่านดูอย่างลุกลนมือสั่นเทาครั้นแล้วหล่อนก็อุทานอะไรออกมาคํานึงอย่างตโหนกตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวทําไมเมะไรเหรอมเมชยันกระดาดรินร้องถามขึ้นพร้อมกันโอ้กอ๊อ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 แล้วเอ็งจะไปไหนก็ตามใจเองครั้นแล้วอยู่ไม่อยู่ชา ย, ยันก็ป้องปากตะโกนเอ็ดอึงขึ้นไม่ทันเสียงอันเกิดจากอารมณ์เห่าขนองของอดีตนายทหารปืนใหญ่นั่นเองก็ปรากฏเสียงอ้าดังสะท้อนกล้องไปหมดทั้งลูกเขากำปนาตแห่งเสียงนั้นปานว่าก้อนหินและพุ่งไม้ไหวสะเทือนไปหมดกปะหน่งเสือโคร่งยี่สิบตัวร้องคำรามขึ้นพร้อมกัน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 ยิ่งอยู่สิ่งที่บุญคําแนะมันไม่เหลือบากรวแรงอะไรถ้ามันเป็นความจริงแต่ถ้าไม่จริงล่ะบุญคําก็ขายหน้าฉันเสียเท่านั้นบุญคําก็ขายฉันซะเท่านั้นตาพานเท่าแห่งเขาอึมครึงผู้แก่อาคมก็สงบปากคําไปในบัตรนั้นข่าวหน้าสอแวววิตกกังวลอยู่ภายในคนเดียวถ่านทางแก่ประวันท่านใจผิดไปกว่าทุกครั้งซึ่งระพินก็รับ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 ถูกยิงหัวแหลกดินพันอยู่กับพื้นดินไม่จำเป็นต้องขอบใจฉันหรอกมาเรียกระซิบหน้าตาเฉยต่อมาขณะที่เขายังยืยนตะลึงอยู่แล้วก็เดินพละสวนกลับไปที่แคมป์ก่อนที่คนอื่นจะทันเอ่ยถามอะไรขึ้นระพินเป่าลมออกจากปากนึกขอบคุณเจ้าปาเจ้าเขาที่เดินใจให้มาเรียเดินตามเข้ามาด้วย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 ถ้าตามความรู้สึกของผม ม, มันนานแล้วก็ชัดเจนจนทนกระสับกระสายฟังอยู่คนเดียวไม่ได้ถึงปลุกคุณขึ้นแต่พอคุณรู้สึกตัวมันก็เงียบหายไปขณะนั้นป่างเงียบไม่มีแม้แต่เสียงแมลงหรือลมพัดใบไม้ไหวกะหนึ่งว่าจะถูกตัดออกจากโลกทั้งปวงอย่างหมดสิน้นยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นน้ำค้างที่พรมอยู่เปาะแปะ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 เมื่อลืมตามองเห็นเงาตะคุ่มของระพินกับสหายของเขากําลังนั่งพูดอะไรกันพูนพำมีอะไรเหรอจากเสียงร้องถามนั่นเองมาเรียก็พลอยตื่นลุกขึ้นมานั่งด้วยอีกคนนึงเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่ใหญ่เปล่าไม่มีอะไรหรอกเชิถากรบเกลื่อนระพินเอนตัวลงนอนซะแต่อีกสองคนที่ตื่นขึ้นมาพบอาการผิดปกตินั้นเต็ไมไปด้วยความสงสัย ไม่ยอมผ่านไปง่ายๆจ้อง ม, มาที่เชษฐาเป็นตาเดียวอ่ะไม่มีอะไรแล้วลุกขึ้นมานั่งทำไมเพราะฉันลืมตาขึ้นมาก็เห็นแกกระพินกําลังมีเรื่องหารือกันอยู่ไม่ใช่เหรอก็มันหนาวอ่ะนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมานั่งคุยกับพินครับนอนเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปกติชายันกมาเรีย ก, กว่าตาสารวจไปยังเงาสลัวบริเวณแคมป์รอบด้านก็รู้สึกว่าอะไรต่ออะไร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 ที่ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเดินนำไปและใจกลางของกลุ่มนักบวชเหล่านั้นมีหัวหน้าประธานอยู่คนหนึ่งลักษณะเป็นปุโรหิตเดินสวดประพรมน้ำมนต์ไปเบื้องหน้าจากท่าที่เห็นชัดว่าเต็มไปด้อํอำนาจกริยามนมายามื่เป็นชายวัยระกลางคนร่างสูงตาคมกว้างกอกไปด้วยมหินธิริษอย่างพ่อมดหมอผี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 นักพจนภัยสาวเลือดอยุโรปตกอยู่ในอาการงุนงงอัศจรรย์ใจไม่น้อยไปกว่าทุกคนนี่เรากําลังหลงเข้ามาในดินแดนแห่งความลี้ลับมหัศัจรย์อย่างทายอะไรไม่ถูกสักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเป็นคำถามไปหมดหลอนร้องออกมาเบาๆบังเกิดอาการหนาวสั่นขึ้นมาอีกทั้งทั้งที่ได้ไออุ่นจากกองไฟหยกยกไม่ใช่เพียงแค่คาถามอย่างเดียวเท่านั้น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 ตามที่แงสายเพิ่พูและนางที่หลับอยู่ในโรงแก้วก็คือพันทุมวดีนางพญาแห่งนครหลับ <c oughs> แล้วอีกประโยคนึงล่ะที่ว่ามันไตรปุโรหิตพ่อมดรายล่ะชายันสวนมาโดยเร็วเต็มไปด้วยความตื่นเต้นก็ควรจะเป็นเจ้านักบวชโลน้นที่น้อยมองเห็นในภาพฝันตามที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้นั่นเอง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 เสียงของเขาเกือบจะเป็นคำรามไม่หมายความว่ายัางไงเชิดฐาร้องลั่นก็หมายความว่าทั้งทั้ ง, ท, งที่มันนอนหมอบหันหน้ามาทางแสงไฟแท้ๆแล้วไฟก็ส่องเข้าจังหน้าแต่ไม่มีแสงสะท้อนเลยนะสิครับทําให้ผมคิดว่ามันเป็นพุ่งไม้หรือโขดหินมาไหวทันตอนที่มันแว่งตัวกลับขณะที่โฟกัสไฟเปลี่ยนที่ไปทุกคนอุทานกล้องอยังตกใจ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 ชา ย, ยันจะลั่นกระสุนขึ้นไปเป็นนัดที่สองแต่ดารินคว้าแขนไว้อยาไม่มีประโยชน์เรืองลูกเปล่าเาก่งจริงมึงโผว่าชิว้อยไอ้ดำชา ย, ยันขบเขี้ยวเขี้ยวฟันตะโกนก้องขึ้นไปฮ ม, มันไม่มีวันหรอกที่จะโผล่มาให้เห็นนอกจากจะดักคอยยั่วให้เราตามมันออกไปยุ่ยงนั้นแหละเฮะอย่าไปสนใจกับมันเลยอยู่ในแค้มของเราเนี่แหละ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 แต่พิจารณาเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงขนาดไอ้แหวงหรือไอ้กุดผมไม่ได้ท้วงคุณเลยนะแต่คุณจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้สำหรับไอเสือตัวนี้ผมว่ามันเป็นวิญญาณร้ายมากกว่าสัตว์ป่าสามัญ น, นะพูดเหมือนใจฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันชยันเสือมาโดยเร็ ว, รวผมไม่สัญญาครับเราจะเป็นห่วงไปเลยในที่สุดจอมพรานก็รับคาหนักแน่น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 ความตื่นตกใจของคณะมันไปอยู่ที่เสียงโวยวายเอตโรของมาเรียตั้งจนการสกัดกั้นของดารินที่รีบตะครุบตัวไว้ยืดยุดฉุดกระชากกันอยู่คุณตาฝากไปหรือเปล่าเมเช็กถาถามเคร่งขื่จ้องหน้าแล้วเอื้อมมือมาจับปลายคางของแม่มสาวโดยแรงไม่ฝากครับผมอีกคนหนึ่งที่เห็นอย่างเดียวกับเม เสียงแหบห้าของใครคนหนึ่งดังแทรกขึ้นและคนนั้นก็คือระพินไพรวันระหว่างที่ทุกคนหันกวับไปจ้องเขาพันใหญ่ยกมือขึ้นขยี้ตาแผงจ้องไปยังบริเวณนั้นอีกครั้งกล่าวต่อมาว่ามันชั่วเสี่ยวของวินาทีเท่านั้นแหะครับที่ลำไฟฉายของคุณชัยยันสาดออกไปกระทบถ้าคุณชายไม่กระชากไว้ซะก่อนบางทีผมอาจใช้ไฟแทน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 โลกของความลี้ลับมหัศจรรย์อันไม่สามารถจะเข้าใจได้และไม่เคยเชื่อมาก่อนว่ามันจะมีอยู่ในพื้นผิบนี้เฉถาก็สูบกล้องอยู่คนเดียวเงียบเงียบลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนในตาคขึ้มเยือกมองฟาออกไปในความมืดเบื้องหน้าอย่างปราศจากจุดหมายมารียตะแคงตัวเบียดกายกอดร่างอันนอนนิ่งของดารินไว้อย่างแสดงความรักใคร่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 ปลุกงวงเงียขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียประสาทหูอันลั่นกริ่งเพราะความอดนอนแวววเสียงพวกพรานพื้นเมืองพูดอะไรกันโวยวายครมอยู่รอบตัวพอขยี้เปลือกตาลืมขึ้นอย่างแสบรส้ก็เห็นดารินมาเรียและชัยยันลุกขึ้นก่อนแล้วและคนที่กำลังเขย่าปลุกเขาคือชัยยันนั่นเองส่วนพรานใหญ่ระพินยืนห่างออกไปเล็กน้อยเบื้องหน้าดารินดารินกับมาเรีย